พวกเราที่นี่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มาใช้ประโยชนนะ์จากสถานที่แห่งนี้นะในการปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามของพวกเรามันเป็นที่ที่หลวงพ่อได้หลวงพ่อคำเขียนนั้นนะไดะ้ทุ่มเทนะ มาเป็นเวลานานเรียกว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยหรือว่าตั้งแต่เริ่มที่ท่านมาปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ในการเจริญภาวนาที่จริงเนี่ยตอนที่หลวงพ่อมาปักหลักที่วัดป่าสุกโตนี่ท่านไม่ได้คิดว่าจะให้ วัดป่าสุกโตนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้หมายความว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาหรับคนที่มาจากแดนไกลตอนที่ท่านมาปักหลักที่นี่ท่านก็คิดถึงแต่ว่าอยากจะมาช่วยเหลือชาวบ้านบนหลังเขา ก่อนหน้าที่ท่านจะมาปักหลักที่นี่ประมาณปี19เนี่ยท่านก็เคยมาที่นี่มาก่อนแล้วนะปี13แต่ว่าก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างสำนักอะไรเพราะว่าท่านามีกิจตามหลวงพ่อเทียนไปสอนทำตังที่ต่างๆโดยเฉพาะที่วัดโมก ขอนกันและต่อหลังก็วัด ส, สนามในนะเมืองนนทและท่านก็ได้พบว่าคนในเมืองเนี่ยสนใจธรรมะกันมากมีคนมาปฏิบัติกันนะอย่างต่อเนื่องท่านก็รู้สึกว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วนะไม่ค่อยน่าเป็นห่วง ในสิ่งที่น่าห่วงก็คือคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดแล้วท่านก็นึกถึงผู้คนบนหลังเขานี้เพราะว่าผู้คนบนหลังเขานี้เนะี่ยเรียกว่าศีหลหรือธรรมนี่ไม่สนใจเลยตอนที่ท่านไปอยู่วัดปูกกระทงใหม่ๆชาวบ้านนี่กินเหล้ากันในวัดเอาศาลาวัดเป็นอ่าเป็นอ่า ทั้งเวทีหมอลำแล้วก็หนักกพนั้นก็คือเป็นเป็นบอล น, นะเล่นการพนันกันในวัดท่านว่าตอนที่ถ้าไปไปเริ่มบุกเบิกที่บุกกระทองนี่ขวดเล่านี่เยอะแยะไปหมดนะต้องชวนชาว บ, บ้านกันเก็บกวาดเพราะมันเลอะเทอะมากเ <c oughs> นี่ยคือกลุ่มคนที่หลวงพ่อท่าน เป็นห่วงนะเพราะคนเหล่านี้ไม่สนใจธรรมนะท่านส่วนคนในเมืองเนี่ยโดยพราที่วัดสนามไนนี่ท่านก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาฝ่ายใจในการปฏิบัติธรรมเดินมาปฏิบัติธรรมเดินเข้าวัดกันเป็นแถวตอนที่ท่านขึ้นมาปักหลักที่นี่นะหลังจากที่ช่วยงานหลวงพ่อเทียนมาเจ็ดแปดปีเนี่ย หลวงพ่อเทียนไม่เห็นด้วยนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าคนรู้ธรรมะทำไมมาหลบนะอยู่ในป่าเหมือนหนูเหมือนลิงเหมือนข้างนะขึ้นมาทำไมนะท่านอยากให้ไปสอนธรรมะนะกับคนในเมืองอยากให้ไปช่วยงานที่วัดโมกหรือไม่ก็วัดสนามหนเพราะตอนนั้นเนี่ยคนในเมืองนี่สนใจธรรมะมากขึ้นหลวงพ่อเทียนท่านมีแนวการสอน หรือเผยแผ่ธรรมะนี่จะเรียกว่าคนระแบบกหลวงพ่อคำเขียนก็ได้หรือว่าท่านเน้ น, นเรื่องการตั้งสำนักใกล้เมืองเช่นที่วัดโมนี่ก็ใกล้ขอนแก่นวัดสนามในก็ใกล้กรุงเทพตอนหลังท่านก็ไปสร้างสำนักทรรมวิงขวัญก็ก็ในตัวจังหวัดเลยเลยแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนนี่ท่าน ท่านคิดไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนแล้วก็เพื่อนๆ น, นะท่านปลีกมาอยู่บนเขาซึ่งตอนนั้นปีหนึ่งเก้านี่มันก็เรียกว่าเป็นเขตที่ทุรกันดารขึ้นมาลำบากมากต้องปีนเขานะจากแก้งครอไม่มีถนนอาตมานี่ก็ยังมาทันเลยนะมาช่วยหลวงพ่อคำเขียนทำผ้ปาป่าาก็ต้องปีนเขาขึ้นมานะปีสองสาม หลวงพ่อเนี่ยท่านมาปักหลักที่นี่นะก็เพื่อชาวบ้านชาวบ้านบนหลังเขาเป็นหลักเลยแล้วก็ท่านก็ช่วยทําให้คนที่ทำมาฝ่ายนี่นะเริ่มมาสนใจธรรมะสนใจศีลสนใจทำห่างไกลอบายมุขแต่ท่านก็รู้ว่ า, าการช่วยเหลือชาวบ้านนี่นะนอกจากเรื่องธรรมมาแล้วเนี่ยมันต้องทําคว่คู่ไป ก, กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ช่วยสงเคราะห์เขาในเรื่องต่างๆที่เขาเดือดร้อนฉันก็เลยสร้างศูนย์เด็กขึ้นมาโดยไม่รู้ว่านี่นั่นละคือศูนย์เด็กแข็งแรกของจังหวัดชัยภูมิปี 2-1 นะเพื่อมาสงเคราะห์ลูกหลานชาว บ, บ้านพ่อแม่คุณได้ไปทำไร่สะดวกไม่ต้องเอาลูกไปเจอแดดเจอฝนจนบางคนก็ตายนะตายเพราะเป็นไข้ พอท่านย้ายมาที่ที่สุกโตนะท่านก็ยังคิดถึงเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของชาวบ้านศาลาหน้าที่ท่านสร้างใหม่ๆเนี่ยประมาณปีสองหสองเจ็ดนี่ยความคิดเดิมของท่านคือว่าอยากจะเป็นที่ที่ชาวบ้านมาเรียนฝึกอาชีพเรื่องการเย็บผ้าท่านอยากจะหาผ้าอานจะจะหาจากรเย็บผ้าเนี่ย มาไว้บนศาลาหน้าสอนชาวบ้านรู้จักการเย็บผ้าเป็นการเพิ่มรายได้ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะท่านก็อยากจะช่กักชวนให้ชาวบ้านนะทําการเกษตรเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าเกษตรที่ไม่ต้องไปพึ่งตลาดมากนักหรืออย่างน้อยๆก็เป็นที่ที่จะเพิ่มรายได้กับชาวบ้านเช่นปลูกลยายําไยปลูกกระท h o n ลงมทั้งปลูกผักอันนี้คือความคิดเดิมของหลงพ่อเนี่ยเมือม่อเมื่อสามสิบปีที่แล้วคือท่านไม่ได้คิดที่จะให้ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนไกลๆหรือคนเมืองเลยเพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมันไกลมากสายเจตมามาบวชกับท่านก็บอกว่าจะมาขอปฏิบัติธรรมที่ สุขโต น, น, นั่นคือปี26หลวงพ่อท่านก็ไม่สะดวกที่จะรับเพราะว่าสุขโตตอนนั้นมันไม่ได้เหมาะสำหรับการที่จะรองรับคนจากที่ไกลๆนะเสนาสนะก็น้อยนะท่านก็แนะนำว่าให้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนนั่นแหละที่วัดสนามในแล้วท่านก็จะมาเยี่ยมมาเยียนเป็นครั้งคราว นะก็มาชี้หน้ะการปฏิบัติที่ว่าสนามนายเพราะมันสะดวกกว่านการที่พวกเรานะได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นโชคมากเพราะว่าความตั้งใจเดิมของหลวงพ่อไม่ใช่ให้ไม่ได้หวังว่าคนอย่างพวกเรานี้จะมาใช้ประโยชน์จากที่นี่นะนะท่านมุ่งไปที่ชาวบ้านเป็นหลักแต่ว่าไปไปมามานะ ก็ค่อยๆเริ่มมีคนจากในเมืองคนจากกรุงเทพค่อยๆขึ้นมาทีละคนสองคนสามคนนะแล้วก็ตามกันมาจนกระทั่งจะมีคนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละที่ทำให้ท่านเริ่มที่จะพัฒนาที่นี่นะให้สามารถรองรับนักปฏิบัตินะจากที่ไกลๆ ไ, ได้ ก็ค่อยทำเทอาไรเล็กทีละน้อยเนเวลาพวกเรามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาครือโยมยท่านจะให้พวกเราปฏิบัตินะเป็นหลักเลยส่วนเรื่อง อ, งอย่างอื่นเนี่ยท่านดูแลเองท่านจัดการเองสมัยก่อนนี่สรารกายนี่มันยังยังมีอยู่นะสรารกายนี่ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปีสองเจ็ดแต่แม้กระันนั้นเนี่ย เรื่องน้ําประปาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ดูแลเองเลยมีมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งตรงใกล้ๆ ก, กับอที่ปั๊มน้ําปัจจุบันที่ตรงประตูทางเข้าเขเบิลอุบสิกาหลวงพ่อท่านรู้จักมอเตอร์ตัวนี้ดีมากเหมือนกับคุยกับมารู้เรื่องนะใันคนอื่นนี่ซ่อมไม่ถูกใจหรือซ่อมไม่ได้แต่หลวงพ่อ น, นี่ซ่อมได้หลวงพ่อเนี่ยก็จัดการนะเรื่องน้ําเอง เรื่องเสนาสนะท่านก็เป็นคนจัดการนะปลูกสร้างไม่ได้ปลูกเองนะแต่ว่าจัดการให้พาชาว บ, บ้านมามาเลื่อยไม้มาปลูกนะเรียกว่าคนที่มาอยู่วัดที่มาปฏิบัตินี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้นอกจากปฏิบัติส่วนเรื่องเสนาสนะเรื่องปัจจัยสีนะ่ท่านรับผิดชอบเองนะท่านทุ่มเทมากตอนหลังก็ พอมีคนมาอยู่มากขึ้นมีพระมาบวชมากขึ้นก็ก็มีกำลังมาช่วยนะอย่างอย่างช่วงตอนหลังนี่ก็ได้อาจารย์ทรงศิลได้อาจารย์ตุ่มได้อาจารย์พัฒนชัยแล้วก็รุ่นหลังก็มีท่านสังมาก็ช่วยเป็นมือเป็นไม้นะทำให้การอ่าพัฒนาปรับปรุงที่นี่เนี่ย มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถจะรองรับคนได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทวันนี้ท่านก็ยังไม่หยุดนะอย่างเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยพอท่านเริ่มมีแรงท่านก็ไปที่ธรรมไฟไปทําอะไรไปสั่งดินมาร้อยร้อยรถเพื่อมาปรับปรุงตรงเชิงตะกอนที่สุกโตเนี่ยนี่ขนาดท่านอาพาธหนักนะถ้ามีแรงเมื่อไหร่ท่านก็ยังคิดถึงเรื่องการ ปรับปรุงที่นี่นะให้เหมาะกับการอยู่และการปฏิบัติของพวกเร า, นะ า, าท่านอาตท่านก็ฉลาแล้วก็อาพาธขนานี้ท่านก็ยังก็ยังนึกเป็นนึกถึงพวกเราแล้วก็นึกถึงคนอีกมากมายนะที่จะได้อาศัยประโยชน์จากที่นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยพวกเราโชคดีนะที่ได้มา มาใช้ประโยชน์จากที่ที่หลวงพ่อท่านได้ทุ่มเทและด้วยเหตุนี้ก็ควรที่จะนะ่ะสำนึกในบุญคุณของท่านซึ่งการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัตินะเพื่อให้ให้สมประโยชน์อย่าง ก, กับที่ท่านมุ่งหวังนะทงั้งๆที่เดิมทีท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย นะซึ่งก็เป็นโชคของพวกเรานะในเรื่องการปฏิบัตินะท่านก็ท่านก็พูดย้ำอยู่เสมอนะว่าให้มันเป็นงานหลักของพวกเรานะไม่ว่าการปฏิบัตินั้นมันจะมาในรูปไหนนะสิ่งสำคัญคือการมีสตินะการสร้างความรู้สึกตัวใ ห, ให้เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องอาศัยความภาคภูมิพยายามแต่ว่า ความภาพเพียนพยายามอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบัติไม่ถูกต้องภากเพียนไปก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่เมื่อวานนี้ที่เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีความเพียนในการปฏิบัติมากนะแต่ว่าเขาวางใจไม่ถูกต้องก็เลย เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเรียกว่าสติแตกแล้วก็ยังไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีความรู้ตัวเท่าไหร่เลยทํางานทําการก็ไม่ได้จะใช้ชีวิตตามปกติเองใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่อันนี้เป็นเพราะว่าการเข้าใจธรรมะยังไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าใจไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็เลยผิดพลาดมันมีหลักการปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งนะสำหรับชาวพุทธท่านใช้คําว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติที่เขาแปลกันทั่วไปคือแปลว่าปฏิบัติทําน้อยคล้อยทําใหญ่หรือถ้าพูดง่ายๆคือว่าปฏิบัติทําโดยสมควรแก่ทำแปลให้ง่ายกว่านั้นก็คือว่าปฏิบัติทำ อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของธรรมะแต่และข้อนั้นนะธรรมะนี่มีประโยชน์นะแต่ว่ามันมีจุดหมายเฉพาะที่เราต้องใช้ให้ถูกเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีจุดหมายเพื่ออะไรแล้วก็ใช้ให้ถูกเมื่อใช้ถูกแล้วก็จะเกิดประโยชน์นะของดีเนี่ยต้องใช้ให้ถูกด้วยของดีใช้ผิดนะเกิดปัญหาเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์เนี่ย รถยนต์มันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราขับไม่เป็นมันก็จะสร้างความหายนะนะทำให้คนพิการหรือตายได้ในแง่หนึ่งธรรมะก็แต่ละข้อแต่ละข้อก็เหมือนกับรถยนต์นะหรือเหมือนกับพาหนะที่จะพาเราไปสู่จุดหมายแต่ละจุดแต่ละจุดส่งทอดกันไปเป็นช่วงๆเราต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าธรรมะแต่ละข้อนี้จะพาไปไหนมีจุดประสงค์อะไร แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกธรรมะแม้จะดีนะแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็เกิดปัญหาด้วยเหตุนี้เนี่ยยังมีพุทธภา ษ, ษ, ษ, ษิตหรือมีข้อความอันหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้เพิ่งสาธยายไปทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้แม้ข้าว่ า, าเทาลมออีกแง่นี่คือว่าถ้าธรรมะเนี่ยถ้าประพฤติไม่ดีนะก็ ทำให้เป็นทุกข์นะธรรมะนี่แม้จะดีนะแต่ถ้าประพฤติผิดนะมันก็สร้างทุกข์ให้นะทาที่ประพฤติดีแล้วย่อมนงนำสุขมาให้แต่ถ้าประพฤติไม่ดีนะก็นำทุกข์มาให้นะเราต้องระวังหรือว่าทําให้ไม่ชีวิตจิตใ จ, จ ไ, มไม่พัฒนา ยุตัวอย่างเช่ น, ทา น, นทานเนี่ยทานเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อลดละเพื่อขัดเกลานะเพื่อทำให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเป็นไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวอันนี้นอกเหนือจากการที่ไปเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ยอันนั้นคือประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนทานก็คือเพื่อช่วยลดละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าให้ทานไม่เป็นนะมันก็จะเป็นการพอกูนกิเลสนะ เช่นทำบุญให้ทานก็อยากมั่งอยากมนะีทําบุญสิบอยากได้ร้อยทาบุญร้ออยากได้ล้านนะให้ทานก็อยากจะถูกหวยนะในการทําแบบนี้เนี่ยนะการให้ทานแบบนี้เนี่ยมันเป็นการให้ทานที่ไม่ถูกต้องพระไตรปิฎกกเคยพูดไว้นะว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ย ยอมไม่เห็นแก่อุปทิสุขอุปทิสุกก็คือโลกยสุขยอมไม่เห็นแก่อุยอมไม่ได้ให้ทานเพื่อเพราะเห็นแก่อุปทิสุขหรือเพราะพบใหม่พบใหม่ก็เช่นขอให้เป็นคนรวยในชาติหน้าขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ให้ทานเพื่อกำจัดกิเลสและเพื่อไม่เกาะพบใหม่ไม่เกาะพบใหม่คืออะไรก็คือเพื่อนิพพาน อันนี้คือการให้ทานที่ถูกต้องซึ่งคนที่เป็นบัณฑิตจะรู้ว่าให้ทานเพื่ออะไรให้ทานเพื่อละไม่ใช่เพื่อพอกภูนสีนก็เหมือนกันนะสีนก็เพื่อลดละโลพาโทสะโมห oh ะจํากัดขอบเขตของโลพาโทสะโมห oh ะไม่ให้มันออกมาทางกายวาจาจงกระทั่งก่อความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแต่ถ้ารักษาสีไม่ดีมันก็กลายเป็นการ เพิ่มภูนกิเลสเพิ่มภูนมานะนะไปดูถูกคนอื่นว่าเขาถือศีล น, น้อยกว่าฉันฉันไม่กินเหล้าแตนะแกกินเหล้าหรือว่าฉันถือศีลแปดแกถือศีลห้าแกอย่ามาเถียงฉันมันะมีบางคนนะเวลาเถียงกันเถียงสู้เข้าไม่ได้นะก็บอกเลยว่าเธออย่ามาเถียงฉันนะฉันถือศีลแปดเธอถือศีลห้าหยุดได้เลยนะถ้ามีคนอ้างแบบนี้เลยนะ เอาศีลนี่มาข่มคนอื่นอันนี้เรียกว่าทำผิดแล้วนะทำผิดนะใช้ศีลหรือใช้ธรรมเนี่ยไปในทางที่ผิดพลาดนะเพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของศีลว่าเพื่ออะไรเมื่อไม่เข้าใจก็ทำไปนะตามรูปแบบแล้วก็เปิดช่องให้กิเลสมันเข้ามาแทรกได้ภาวนาก็เช่นเดียวกันนะ ภาวนานี่ก็เพื่อทำให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นและเกิดปัญญาแต่บางคนนี่ไปเข้าภาวนานเพื่อได้เกิดฤทธิ์เกิดเห็นสีสเห็นแสงนะอยากจะเพิ่มพลังจิตให้มีความสามารถพิเศษทางจิต <S <s เพื่ออะไรนะเพื <S <s ่อเพื่อสนองกิเลสนะ <S <s เพื่อไปอกดข่มคนอื่น หรือเชื่อหรือเพื่อใช้อำนาจพิเศษนั้นในการที่จะรังควานคนอื่นนะอันนั้นก็มันเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ของภาวนาอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติผิดนะปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดก็เกิดปัญหาตามมาธรรมะแต่ละข้อเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายของมันนะเราต้องเข้าใจ สันโดก็เหมือนการสันโดรเนี่ยหมายถึงว่าการพอใจในสิ่งที่มีอยินดีสิ่งที่ได้ซึ่งรวมไปถึงว่าการอยู่ง่ายกินง่ายบางคนไม่เข้าใจว่าสันโดดเนี่ยหมายถึงว่าพออยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานอะไรมากวั น, ว, นวันหนึ่งฉันใช้ยี่สิบบาทก็พอนะเพราะฉะนั้นถ้าหามาได้สัก4ี่ิบาท หรือสาสิบาทก็พอแล้วก็หยุดหาแล้วทำอะไรต่อก็นั่งเล่นนอนเล่นใช้เวลาที่เหลือในการนั่งเล่นนอนเล่นนะไอ้นั่งเล่นนอนเล่นเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าใช้เวลาทั้งวันนะกับเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องสันโดนี่มีจุดมุ่งหมายนะเพื่อว่าเราจะไม่ไปเสียเวลา ก, การหาเงินหาทองมาก หรือไม่เสียเวลาไปกับการเสพการบริโภคมากเราได้มีเวลาเหลือสาหรับการทำสิ่งอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าเช่นการปฏิบัติธรรมหรือว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนรวมบางคนก็อาจจะไปอุปถัมภ์บำลุงศาสนาเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยสหรับการนั่งเล่นนอนเล่น แต่เพื่อเราจะได้ไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการทำมาหากินหรือว่าการเสพการบริโภคหรือถ้าจะไปทำมาหาเงินก็ได้แต่ว่าเงินนั้นไม่ใช่เพื่อการเสพการบริโภคส่วนตัวแต่เพื่อส่วนรวมนะเช่นอานาถปินติกะเนี่ยได้เงินเยอะท่านก็เอามาอุปถรรัมบารุงภาษศาสนาท่านก็ยังทำมาหาเงินอยู่นะแต่ว่าท่านใช้น้อยกินน้อย ไม่ได้นั่งเล่นนอนเล่นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้นะว่าสันโดษเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดพลาดท่านก็เลยสอนให้เอาวิริยะคู่กับสันโดษ ด, ด้วยวิริยะคือความเพียรถ้าสันโดษแล้วขี้เกียดนี่ผิดแล้วนะสันโดษต้องตามมาพร้อมกับความขยันนะไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นพระพุทธเจ้าท่านฉลาดก็จะให้ เอาวิริยะเนี่ยมากำกับสันโดษเพื่อไม่ให้สันโดษนี่มันกลายเป็นการไปสนองกิเลสหรือสนองตัณหาความขี้เกียจเนี่ยเป็นเป็นผลของตัณหานะอยากสบายแล้วก็สันโดษอาจจะกลายเป็นความขี้เกียจได้ถ้าไม่มีวิริยะมากำกับนะะคนไทยจำนวนไม่น้อยก็เข้าใจสันโดษผิดแล้วก็ปฏิบัติผิดด้วยนะ ก็เลยทำให้คนมองว่าออทำไมคนไทยขี้เกียจในเรื่องการภาวนาก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราเข้าใจธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมีจุดมุ่งหมายอะไรเราจะใช้ถูกแล้วทำให้เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นพภชง7จนะพชงเ จ, นะงเจนี่เขาเองค์ธรรมแห่งความแห่งการตรัสรู้นะซึ่งถ้า เ, าเราพิจารณาเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทสองส่วน ส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เน้นเรื่องความสงบหรือส่งผลทาให้เกิดความสงบเช่นสมาธิปัสสัทธิอุเบคาธรรมะสามสามตัวนี่นะมุ่งทำให้ใจสงบนิ่งนะอีกสามตัวเนี่ยนะก็คือวิริยะนะธรรมวิจยะแล้วก็ปิตินะ วิตตวิริยะเราก็ธรรมวิจยะธรรมวิจยะนี่เรียกงเว่าปัญญาอ่สามตัวนี้เนี่ยนะเป็นตัวฝ่ายถ้าภาษาฝรังเรียกว่าแอคชั่นคือทำให้ใช้ในการทำการงานต่างๆเวลาเราเวลาเราซึ่งซึมนะเวลาเร า, เ า, เราซึนะางซึมเนี่ยถ้าใช้โพชงไม่ถูกต้องนะเช่นไปใช้สมาธิปัจจิตเนี่ย มันยิ่งง่วงยิ่งซึมเข้าไปใหญ่เลยในเวลาที่เสื่องซึมเนี่ยท่านแนะว่าให้ใช้ตัวปิตินะวิริยะแล้วก็ธรรมวิจยะหรือปัญญานะใช่เวลาง่วงงาเขานอนเออลองพิจารณาธรรมดูก็ทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาอันนี้พระเจ้าก็แนะพระโมคคัลลานะเหมือนกันในะเวลาท่านง่วงมากให้ลองพิจารณารมดู ในท้องในทางตรงข้ามเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าขืนไปใช้วิริยะเข้าไปหรือว่าใชา้ธรรมวิจัยเนี่ยยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิใช้ปัตสัทธิหรืออุเบกขาจะช่วยทาให้ใจสงบลงนะไม่ฟุ้งซ่าน ให้เราจัยแม่ว่าธรรมะเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ค่อนข้างจะเฉพาะนะเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันเกิดผลเสียนะกำลังหดหูเงืง่องง่วงซึมนะไปใช้ปัดพอดชงฝ่ายที่ทำให้สงบนิ่งก็ยิ่งทำให้จิตมันดิ่งเข้าไปใหญ่หรือว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่นี่ไปใช้ธรรมะสำพอดชงในะส่วนที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดความเพียรหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการไต่ตรองธรรมวิทยะก็ยิ่งทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่เพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วก็ใช้ให้ถูกกับกรณีการใช้ธรรมะถูกกรณีนี้สำคัญมากนะนอกจากการที่รู้จักใช้ธรรมะแต่ละข้อให้สมดุลกัน อย่างเช่นอินรี่ห้าเนี่ยอินรี่ห้าเนี่ยมันก็จะมีธรรมะอยู่สอ ง, สองคู่นะศรัท ธ, ธากับปัญญาอันนี้นะช่วยเสริมกันศรัท ธ, ธามากปัญญาน้อยเกิดปัญหาทำให้หลงนะไปเชื่อคนที่อ่เป็นมิจฉาทิฐิก็ได้เพียงพอเขาสร้างภาพได้ดีกว่านะอย่างเช่นพวกที่ศรัท ธ, ธาเนนคําโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาประกอบนะก็โดนเนนคําหลอกไป แล้วก็มาเสียใจภายหลังแล้วก็อาจจะท้อแท้นะเสื่อมศรัทธาในพระสงค์ในาศาสนาอธนนิทธามากไปเกิดผลเสียแต่ปัญญามากไปก็มีปัญหาไม่ยอมลงให้ใครเลยนะไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่พึ่ต่พือนะก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างนี่มันต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวเริ่มเพื่อเชื่อทให้เกิดการปฏิบัติ กาศรัทธาปัญญาก็ต้องเสมอกันวิริยะกับสมาธิคือเหมือนกันต้องเสมอกันสมาธิมีมากมากนี่มันขี้เกียจนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนสมัยที่ท่านเป็นคฤรุหัดนี่ท่านหนักไปทางด้านสมถะมากนะเวลาทำนานี่ท่านคิดถึงแต่ว่าคิดถึงแต่ห้องพระนะอยากจะกลับมามาภาวนามาทำสมาธิที่ห้องพระนะจะได้สงบ ไม่อยากทำอะไรเลยนะอันนี้นก็กลายไปอาจจะนําไปสู่ความาขี้เกียจได้ง่ายสําหรับหลายคนหรือว่าเสือ่อมซึมไปแต่ถ้าวิริยะมากไปก็มีปัญหาเราก็ต้องรู้ว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนอกจากรู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วก็ต้องรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เอามาเอามาเสริมให้ได้สมดุลกันก็คือสมดุลกันระหว่างวิริยะ กสมาธิสมดุลกันระหว่างศรัทธากับปัญญาหรือแม้แต่พ่อชงก็เหมือนกันนะพวอชงท่านก็มันก็จะมีสองคู่นะที่ต้องใช้ให้สมดุลนะก็คือวิริยะกับสมาธิปิติกับปสัสสธนะิธรรมวิทยะกับอุเบกขาแต่ว่าในอินทรีห้าก็ดีในในในพ่อชงเจ็ ก, ก็ดีเนี่ย มีตัวหนึ่งที่พิเศษก่าใครก็คือสติสตินี้เนี่ยเรียกว่ามีคุณสมบัติเรียกว่าหลายแง่นะเป็นทั้งตัวเบรกก็ได้เป็นตัวเร่งก็ได้ไม่เหมือนกับสมาธิสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวตัวเบรกอย่างเดียวทาให้สงบทาให้นิ่งสติก็ทำให้นิ่งได้แต่ว่าสติในอีกด้านนึงก็สามารถจะเป็นตัวขับเคลื่อนให ให้ขยันก็ได้ให้ตื่นตัวก็ได้เช่นเวลาโกรธเนี่ยนะโกรธนี่มันอยากจะอยากจะด่านะอยากจะโวยวายถ้ามีสติมันทำให้ยับยั้งชั่งใจได้แต่ในเวลาที่เกียดนะไม่อยากทำอะไรเลยสติเป็นตัวเร่งให้ออกไปทํโน่นทนํานี่เวลาง่วงเนี่ยนะอย่างเช่นเวลาเราตื่นนอนเนี่ยง่วงถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความกระตือรือร้น นสเตจะมีลักษณะที่มีทั้งลุกแล้วก็รับนะถ้าผู้ภาษาสมัยให ม, หมน่นี่เป็นทั้งตัวลุกแล้วก็ตัวรับเป็นทั้งตัวนิ่งแล้วตัวขับเคลื่อนนะไม่เหมือนกับธรรมะอื่นๆในอินสีห้าหรือว่าในพวอชงเจ็ดว่านั้นมาเป็นตัวประสานอย่างดีนะศรัท ธ, ธากับปัญญาจะได้สมดุลต้องมีสติ วิริยะกะสมาที่จะได้สมดุลก็ต้องมีสติเป็นตัวประสานนะพรชงเจนะ็ดที่เป็นคู่สามสามเนี่ยก็มีสติเป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวประสานทำให้เกิดความสมดุลงนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติจริงๆนะสติในความหมายที่เป็นสัมมาสตินะก็ก็มั่นใจได้ว่านะจะดำเนินชีวิตหรือว่าจะ ทำกิจต่างๆได้อย่างพอดีพอดีมีสติมันทำให้ไม่ไม่ขี้เกียจและขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขยันเกินไปนะที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องความเพียรแต่พอดีหรือวิริยสัมมตาเนี่ยคือเพียรไม่ขี้เกียจเหมือนสายพินที่หย่อนแล้วก็ไม่เพียรมากเหมือนสายพินที่ตึงเนี่ยไม่ทำงันได้ต้องมีสติช่วยนะ ทำให้ความเพียรพอดีพอดีนั้นสตินี้เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่เอามาใช้ได้กับทุกกรณีเวลาง่วงใช้สติก็กดีเวลาฟุ้งซ่านใช้สติก็ดีนะเวลาง่วงซึมนี่สติเป็นตัวทําให้เกิดความกระตือรือร้นเวลาเวลาฟุ้งซ่านมาสติมันช่วยเตือนหรือมันช่วยชะลอทําให้สงบลง ใช้ได้ทั้งสองกรณีนะครที่ธรรมะในธรรมะตัวอื่นในพ่อชงเจ็ดนี่มันใช้ได้เฉพาะกรณีนะการเจริญสติสําคัญมากที่จะเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อที่จะเน้นว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราต้องให้เรื่องความเพียรความความขยันความทุ่มเทเนี่ยอย่างเดียวไม่พอเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมะแต่และข้อเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไร เพื่อที่เราจะใช้ให้ถูกนะปฏิบัติให้เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัส ว, ว่าเนี่ยทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ถ้าไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดแล้วเนี่ยมันก็นำทุกข์มาให้นะถ้าให้เกิดความเนื่นช้านะเกิดปัญหาตามมาอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณาใคร้ควรเอาเองด้วยนะ ที่พูดมานี่ก็เป็นเพียงแค่หลักนะแล้วนั่นคือเผยว่าทาไมพูะเจ้าถึงแน่นมากนะเรื่องธรรมมาลุธรรมปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมอันนี้ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นองค์ธรรมข้อหนึ่งนะในการที่จะนำไปสู่การเป็นพระโสดาบันนะก็ะคือว่าให้เราเป็นกระบวนการกระบวนการแห่งการตัดสู่เนี่ยมันจะมีอยู่สี่ขั้นอันที่หนึ่งคือว่าคบหาคบหาบัณฑิตนะ ครบหาเสร็จฟังธรรมจากท่านและสามีโยนิโสมนสิกการใครควรทำนะและสี่ถึงค่อยท ร, รมนุธรรมปฏิบัติคือลงมือปฏิบัติอันนี้คือสี่ขั้นตอนที่นําไปสู่ความเป็นภริยศเจ้าท ร, รมานุธรรมปฏิบัตินี่จะเป็นตัวท้ายตัวที่สี่นะพวกเราเนี่ยอาจจะมีการคบกับครูบาอาจารย์มีการคบกับบัณฑิต นะแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วต้องมีโยนิโสมนสิการ์ด้วยแล้วจึงจะนานไปสู่ธรรมานุธรรมปฏิบัติซึ่งจะมีผลก็คือการเป็นพระโสดาบันหรือพระยศเจ้าอันจึงสำคัญมากนะเอาล่ะคำนี้พกกุทเท่านี้